ณบัดนี้ขอเชิญท่านสดับฟังคติธรรมและคำสอนของท่านเจ้าคุณพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสพิคุแห่งสวนโมกขะพลารามอำเภอชัยาจังหวัดสุรา ธ, ธานีเรื่องคู่มือมนุษย์ บทนำเรื่องของท่านประธานมูลนิธิเผยแพร่ชีวิตประเสริฐนายวิโรธสิริอัตทํทำไมข้าพเจ้าจึงต้องพยายามเป็นมนุษย์ให้ได้แม้ว่าบิดามารดาและบรรพบุรุษของข้าพเจ้าจะนับถือพุทธศาสนา เมื่อเยาว์วัยข้าพเจ้าก็เคยไปวัดทำบุญไหว้พระกับท่านแต่ก็ไม่รู้ความหมายของการกระทำนั้นเลยแต่เมื่อข้าพเจ้าเติบโตเป็นผู้ใหญ่ครั้งหนึ่งเคยคิดว่ า, าศาสนาไม่จำเป็นแก่คนเราเลยโดยคิดว่าคนเราหากมีเงินเพื่อซื้อหาสิ่งที่ตนปรารถนาก็เป็นการเพียงพอแล้ว และยังเห็นไปว่าหากไป ม, มีศาสนาเข้าจะเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่โดยไม่จำเป็นเลยข้าพเจ้าจึงกลายเป็นคนไม่มีศาสนาอยู่ระยะหนึ่งต่อมาข้าพเจ้าเกิดความคิดขึ้นว่าคนเรานี้ไม่เห็นมีอะไรวันหนึ่งวันหนึ่งเช้าขึ้นก็กินทำงานเที่ยวเตร เสพกามแล้วนอนซ้ำซ้ากๆากไม่เห็นมีแก่นสารอะไรเลยถ้าเช่นนั้นคนเราเกิดมาทำไมทุกวันนี้เรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรกันแน่ข้าพเจ้าตั้งปัญหาถามตนเองและปัญหาอื่นๆอีกมากมายเช่นว่าชีวิตคืออะไรทำอย่างไร จึงจะได้หรือพบสิ่งที่ชีวิตต้องการนั้นแต่ข้าพเจ้าก็ไม่สามารถตอบปัญหาชีวิตดังกล่าวได้ปลายปีพุทธศักราช2501ข้าพเจ้าโชคดีอย่างประหลาดที่ได้พบหนังสือเล่มนี้ชื่อแปลกดีคู่มือมนุษย์มนุษย์จำต้องมีคู่มือด้วยเหรอ ข้าพเจ้าเป็นมนุษย์หรือเปล่าขณะนั้นข้าพเจ้าเข้าใจเอาง่ายๆว่าคนคือมนุษย์มนุษย์ก็คือคนไม่ต่างกันซึ่งความจริงต่างกันไกลข้าพเจ้าได้อ่านเพียงจบแรกข้าพเจ้าก็ได้แนวคำตอบในปัญหาชีวิตดังกล่าวเป็นแนวลางๆขึ้นมาบ้างและเมื่อได้อ่านเที่ยวต่อๆไป คำตอบในปัญหาชีวิตดังกล่าวก็กระจาขึ้นทุกทีเมื่อข้าพเจ้าได้ศึกษาคู่มือมนุษย์และงานของท่านพุทธทาสพิกขุมาพอสมควรข้าพเจ้าจึงรู้ว่าเดิมข้าพเจ้าเป็นอะไรก็บอกไม่ถูกแต่ก็เหมือนกับสัตว์เดรัจฉานอยู่สี่ประการคือรู้จักแต่เรื่องกลัวกินนอน เสพการและคิดแต่เรื่องทรัพย์สินเงินตราและอุปกรณ์ให้ได้สิ่งดังกล่าวเท่านั้นแต่เมื่อข้าพเจ้าได้ศึกษาธรรมะจึงทราบว่าทรัพย์เป็นเพียงเครื่องนำมาซึ่งความปลื้มใจแบบชาวโลกเท่านั้นแต่ไม่ทำให้คนแตกต่างจากสัตว์เบเรชานมนุษย์คือผู้มีใจสูง ชนิดที่กิเลสตัณหาอุปทานอันเป็นเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ท่วมทับไม่ได้เมื่อท่วมทับไม่ได้เขาผู้มีใจสูงก็เป็นผู้ชนะทุกข์หรือปราศจากทุกข์โดยสิ้นเชิงดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์เราควรจะได้นั้นก็คือความไม่มีทุกข์โดยเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์นั่นเอง ท่านพุทธทาสชุบชีวิตของข้าพเจ้าเพราะท่านทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความเป็นสัตว์เดรัจฉานพ้นจากการทำลายชีวิตตนเองตลอดจนพ้นทุกจากทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าและทุกชีวิตไม่พึงปรารถนาท่านทำให้ข้าพเจ้าได้พบแนวทางชีวิตที่ถูกต้องกล่าวคือมุ่งไปสู่ความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าจึงบูชาท่านอย่างสูงสุดและจริงใจบัดนี้ข้าพเจ้าภาคภูมิใจอย่างเหลือเกินที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สมตามความหมายของคําคํานี้และได้พบพระพุทธศาสนาตรงกันข้ามหากข้าพเจ้าไม่ได้พบพระพุทธศาสนาหรือแนวทางชีวิตดังกล่าวมาแล้ว ้าเจ้าก็เสียชาติเกิดคู่มือมนุษย์ที่ได้จัดทำขึ้นในครั้งนี้ได้บันทึกจากการเรียบเรียนของคุณปุนจงประเสริฐผู้จุดประกายแห่งชีวิตให้กับมวลมนุษย์บุญกุศลอันจักบังเกิดขึ้นจากการกระทำในครั้งนี้ขออุทิศแด คุณปุ่นจงประเสริฐด้วยความเคารพอย่างสูงสุดยิ่งด้วยความสุจริตและหวังดีจากธรรมสภา